วิญญาณห้าคือหนึ่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาสองโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูสาคาณาวิญญาณวิญญาณทางจมูกสี่จิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นห้ากายวิญญาณวิญญาณทางกาย คำว่าวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งหรือความรู้สึกนความรู้สึกเหตุที่จะให้เกิดวิญญาณห้านี้เพราะอาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเช่นตากระทบกับรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณหูกระทบกับเสียงเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าโสตะวิญญาณ จะโมกับทบ ก, กับกลิ่นเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าคานะวิญญาณรถกระทบกับลิ้นเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่ารสะวิญญาณอาชิวหาวิญญาณกายสัมผัสนะเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าผัสสะวิญญาณนะเรียกว่าผัสสะวิญญาณอเกิดความ รู้สึกขึ้นจากการสัมผัสนะเกิดการสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณนะจิวหาวิญญาณคานะวิญญาณโสตะวิญญาณจักขุวิญญาณนะความรู้สึกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทีนี้ทั้งห้าอย่างนี้เนะี่ยวิญญาณาความรู้สึกเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นห้านะวิญญาณทั้งห้านี้ในพระบิธรรมท่านไม่รวม ไม่รวมเข้ากับมโนวิญญาณาท่านไม่รวมเข้ากับมโนวิญญาณท่านแยกออกต่างหากจึงเป็นเพียงห้าเท่านั้นแต่ยังแยกออกเป็นประเภทน้อยๆเป็นกุศลวิบากหนึ่งอคุศลวิบากหนึ่งเรียกว่าท ว, ว, นะนะวิปัญจะปัญญานทวิปัญญาน จัดเข้าในอาเหตุตุกจิตหรือจิตอันไม่ใช่เหตุเป็นเหตุอันจะให้ถือปริสนธิต่อไปเพราะเหตุนี้ท่านจึงยกใจออกเป็นประเภทหนึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ววิญญาณห้ามีสองหมวดคือหมวดกุศลเรียกว่ากุศลวิบากหนึ่งหมวดอกุศลก็เรียกว่าอกุศลวิบากหนึ่งส่วนในพระสูตรท่านรวมในวิญญาณ ใ น, ในรวโมโนวิญญาณเข้าด้วยจิ น, นจัดเป็นหกนะจินจัดเป็นหกฉะนั้นเมื่อพูดเมื่อพูดถึงเมื่อพูดถึงกายเมื่อพูดถึงวิญญาณห้าก็อยากจะพูดอธิบายเพียงย่อๆนะพอเป็นแนวทางคือคนเรานี่บางครั้งก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณตั้งห้านี้มากเราสังเกตด <c oughs> ูว่าจะเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมคือเมื่อในเมื่อตาเราสัมผัสเนะี่เกิดการสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดจักุวิญญาณเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาอย่างนี้แน่นอนที่สุด ก็เป็นเหตุให้เกิดอเวทนานะเกิดความพอใจถ้าถ้ามันดีเราก็รู้สึกว่าเกิดสุขเวทนาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาถ้าอยู่เฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันจะมีสองอย่างคือดีกับไม่ดีฉะนั้นอันนี้แหละเมื่อเราไปติดนะไปติดในฝ่ายดีก็เป็นทุกข ไม่พอใจอ่าในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์คือเมื่อเราได้ดีแล้วก็เห็นตาเห็นรูปนะเกิดความพอใจนี่เกิดความพอใจก็อยากได้รูปนั้นมาอยากได้รูปนั้นมาเมื่อได้มาแล้วก็เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเจริญใจนะไม่อยากให้รูปนั้นต้องหายไปต้องเสียไปอยากได้วัตถุอะไรอยากได้ ผู้หญิงอยากได้ผู้ชายออยากให้มาเป็นสมบัติของเราเมื่อได้มาแล้วก็เฝ้าหลงไหลไปฝันกับสิ่งเหล่านั้นหวงแหนนมีความวิตกกังวลห่วงใยอยู่ตลอดเวลานี่มันเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์แต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นเราไม่พอใจก็อยากจะผลักให้มันออกไปจากตัวเราถ้ามันไม่ออกไปเราก็ต้องหาวิธีการไอ้สิ่งที่ดีถ้ามันไม่ได้ด้วย ทุจิตเราก็หาทางทำเลยทุจริตเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษทังนะันะเป็นทุกข์เป็นโทษดังนั้นเราจึงต้องสำรวมนะต้องระวังนะอย่าอย่าระวังให้ตัวสัมผัสนะเมื่อเราสัมผัสแล้วก็ต้องให้รู้จักความพอดดีให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวธรรมทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าให้เป็นอุ ป, ปาทานอย่าให้เกิดตัณหาขึ้น ถ้าเมื่อตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานเกิดขึ้นจะมีทุกข์มีโทษมากนะมีทุกข์มีโทษมากในส่วนหูก็เหมือนกันโสตะวิญญาณความรู้สึกทางหู <c oughs> เสียงก็คือกระทบกับหูเกิดความรู้สึกขึ้นเสียงดีก็พอใจเสียงไม่ดีไม่พอใจเสียงดีพอใจก็แสวงหาในเสียงอันนั้นมาแล้วก็หลงไหลไฝฝันฟังทั้งวานเสียงงานเสียงการ เสียงานเสียการจะเสียงไม่ดีก็อยากจะผลักเสียงนั้นให้ออกไปไวๆมันไม่ไปก็พยายามหาวิธีการนี่มันก็มีทุกมีโทษท่านั้นเราก็ต้องสำรวมต้องระวังเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคานวิญญาณก็เหมือนกันความรู้สึกทางทางกลิ่นทางจ ม, มูกเป็นดีเราก็ชอบแสวงหา ไม่ได้โดยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้โด้วยมลก็เอาด้วยคาถาไม่ได้สุดจริตก็ต้องหาทางวิธีที่จะได้มาได้มาก็ลหลงไหลไฝฝันยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ่งนั้นไม่ถูกใจเราก็พยายามจะผลักมันออกไปทำลายมันไปก็เกิดทุกเกิดโทษอีกฉะนั้นเราก็ต้องสำรวมระวังเกรนก็สักแต่ว่ากเิ่นไม่จะสักบุคคลตัวตนเราเขาเกิดซึ่งตั้งอยู่ดับไปทำใจให้เป็นกลางชิวหาวิ ญ, ญญาณก็เช่นเดียวกัน เรารู้สึกทางลิ้นรสนะรสสัมผัสกันติดในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็สแสวงหาไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาไม่ได้สุจริตก็เอาทุจริตเมื่อได้มาแล้วก็เกิดความลหลงไหลไฟฝันละเมอเพลิพบินหมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบำรุงบำเรออยู่กับสิ่งเหล่านั้นต้องการกับสิ่งเหล่านั้นจนเสียงานเสียการเกิดทุกข์เกิดโทษ เสียเงินเสียทอง <c oughs> เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ดีแปรปวนไปเราก็อยากทําลายอยากให้มันหมดไปก็หาวิธีการก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนฉะนั้นเราก็ต้องสํารวมระวงังรถก็สักแต่ว่ารถกลิ่นรถก็สักแต่ว่ารถเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จรรังยั่งยืนวางใจให้เป็นกลางกายวิญญาณก็คือความรู้สึกทางกายที่เราได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ก็อย่าไปลุ่มหลงถ้าก็เราไปลุ่มหลงไปติดเราเราก็แสวงหาอยากได้เกิดปัญหาความยึดมั่นถือมั่นขึ้นก็เกิดทุกข์เกิดโทษไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เราไม่พอใจก็อยากจะผลักให้มันออกไปก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความเดือดร้อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราจะต้องวางใจเป็นกลางนะทำใจให้เป็นกลางอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติด นะอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติดเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญนะจะมีแต่ความสุขความจเจริญนี้นถ้าจยมีปัญหาถามว่ากุศลวิบากและอกุศลวิบากที่ท่านกล่าวไว้ในในคำอธิบายวิญญาณห้านั้นมีประเภทอย่างไรบ้างจงเจรไนามาให้ครบ อันนี้เราก็แก่ว่ากุศลวิบากมีประเภทเป็นแปดประการคือหนึ่งอุเบกขาสางตจาจักขุอุเบกขาสางตจาจักขุวิญญาณหนึ่งอุเบกขาสางตาโสตะวิญญาณหนึ่งอุเบกขาสากตาคานะวิญญาณหนึ่งอุเบกขาสางตาจิวหาวิญญาณหนึ่งอุเบกขาสางตากายะวิญญาณหนึ่งสามปฏิจจชนกิจหนึ่งอุเบกขาสันติระณะหนึ่ง โสมนัสสันติระณะหนึ่งนี่เป็นส่วนของอกุศลวิบากส่วนอกุศลวิบากมีเจ็ดคือหนึ่งจักขวิญญาณหนึ่งโสตะวิญญาณหนึ่งคานวิญญาณหนึ่งคิวหาวิญญาณหนึ่งกายะวิญญาณหนึ่งสัมปติชันะจิตและสันติระณะหนึ่งนี่เป็นเรื่องของอกุศลวิบากกับอกุศลวิบากอที่บอกว่า อุเบกขาสักัตจักขุก็หมายถึงว่าวิญญาณความรู้สึกที่เกิดทางตาเกิดมาพร้อมกั น, นเกิดมาพร้อมกันเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นต้องวางเฉยอุเบกขาต้องวางเฉยต้องวางเฉยทาใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นกลา ง, ท, ใใลางทุกสิ่งทุกอย่าง จักกุวิญญาณอาจักกุวิญญาณโสตวิญญาณคันะวิญญาณคิวหาวิญญาณกา ย, ยวิญญาณเนี่ยต้องทําใจให้เป็นกลางในเมื่อเราประสบเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาทางหูจมูกเล่นทางกายอืาให้รู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมที่เราได้เห็นได้ฟังได้ดมเป็นได้ลิ้มรสได้สัมผัสแล้วเราก็จะไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษแล้วก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญแล้วถ้าจะมีปัญหาถามว่า วิญญาณกับสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้เราตอบได้เลยว่าต่างกันนะต่างกันวิญญาณคือความรู้แจ้งรู้ละเอียดกว่าสัญญาส่วนสัญญาเป็นเพียงความจําได้หมายรู้เท่านั้นสัญญารู้เพียงเครื่องหมายที่จําได้เช่นรู้ว่าเขียวขาวอเขียวขาวรู้จํารูปจาเสียงจํากลิ่นจํารสได้ส่วนวิญญาณรู้ละเอียดกว่านั้นอีกอเขียวขาวดําแดงเรียกชื่ออย่างนั้น อ่าทำจากสิงาากส่งนั้นๆั้นมาจากสิ่งนั้นนั้นนี่ที่ขาวเพราะมีอย่างนั้นที่ดำเพราะมีอย่างนั้นที่แดงเพราะมีอย่างนี้นี่นี่ว่ารู้ด้วยปัญญานวิญญาณในรู้ด้วยปัญญาอันนั้นเป็นแต่เพียงจำได้เป็นความรู้ผิวเผินนี่เป็นความรู้ที่อภายนอกว่างย่านั้นนี่เป็นเรื่องของวิญญาณคิดว่าพอเป็นแนวทางกับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวีมุตห้าคู่กันไปนะวีมุตห้า v ก็ได้แก่หนึ่งแต่ทางขวาวีมุตคือพ้นชั่วคราวสองวิคัมพนาวีมุตพ้นด้วยการสะกดไว้สามสมุเดเฉดวีมุตพ้นด้วยเด็ดขาดสี่ปฏิปักษสัตธิวีมุตพ้นด้วยสงบห้านิสรณวีมุต พ้นด้วยออกไปนะพ้นด้วยออกไปประการแรกขอให้ท่านมาทําความเข้าใจกับคําว่าวีมุตสิก่อนคําว่าวีมุติแปล ว, ว่าความหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอ่ะเป็นโลกิยะบ้างเป็นโลกุตระบ้างจําแนกออกเป็นห้าคืออันหนึง่งสะทังเขาวีมุติพ้นชั่วคราวได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสได้เพียงชั่วคราวเช่น เกิดความสังเวชขึ้นเพราะปลารบความเกิดความแก่ความตายหายจากความกำหนัดยินดีไปชั่วคราวหายจากความกำหนัดยินดีไปชั่วคราวหรือเกิดเมตตาปรณีขึ้นหายโกรธแต่ความกำหนัดและความโกรธนั้นไม่ได้หายขาดไปทีเดียวเมื่อนึกถึงอารมณ์ที่น่ารักน่าใครความกำหนัดยินดีก็กลับเกิดขึ้นอีกหรือเมื่อนึกถึงบุคคลผู้มีเวรต่อกันกอากลับโ ก, กรธเกิดขึ้นอีก อย่างนี้เรียกว่าตะถังกวมุตพูดง่ายๆก็คือว่าบางคนนี่พอคิดจะทำชั่วขึ้นมาแต่มีเหตุอันสิ่งอื่นมาทำให้เลิกละอันนั้นนะก็เรียกว่าเราก็พ้นนะอย่างนี้นะเรียกว่าพ้นได้ชั่วคราวนะพ้นจากกิเลสตัณหาในชั่วคราวมีมีบางคนอ่ะ มีผัวเมียคู่หนึ่งคือแกเห็นว่าเมีย น, นี่ไปเป็นชู้เขานะบอกว่าไปทำงานทํางานกลับมาค่ำทุกวันแกก็แปลกใจก็คอยแอบดูก็เห็นว่ามีชายชู้มาส่งทุกวันก่อนจะเข้าบ้านก็มีการกระชู้กระชีกันข้าพรอดกันพอหลายวันนะเข้าแกก็เลยเอาปืนมามาแอบดูอยู่ที่หน้าประตูพอ ก, กว่าจะยิงให้ทั้งคู่แหละอืายิงทั้งคู่ ก็ปรากฏว่าในค่ำคืนหนึ่งแกก็มาคอยดูจนกระทั่งใกล้จะสว่างนะภรรยาจึงกลับมาพร้อมกับชายชูนั้นมาถึงประตูก่อน้วจากไปก็แหมชายคนนั้นก็ยังพูดนะทำพรรณนาว่ า, าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะซ้าร้ายภรรยาของตนก็ยังพูดยกย่องชมเชยชาย ช, ายชูยังบอกว่าไอ้แก่ที่บ้านไม่เอาไหนเลยนะ ชายชูฟังเขาก็เกิดอารมณ์อวิปเบริดขึ้นทันทีก็เล็งปืนไปจะเหนี่ยวกายปืนก็พอดีได้ยินเสียงพระเคาะระฆังนะเคาะระฆังทำเรียกว่าอาทำวัดเช้าว่ากันเถอะนะทำวัดแบบทนี้ว่าตีสี่ตีห้าว่ากั้นนะอืมได้ยินเขาก็มานึกอจิตมาสํานึกความผิดชอบชั่วดีขึ้นทันทีว่าอืมนั่นเป็นเสียงธรรมะบอกแล้วนะเตือนแล้วว่า อที่ทําอย่างนั้นนะมันทุกมันโทษมากเดือดร้อนมากอืมแกมานึกได้อย่างนี้ว่าบาปเป็นเวรเป็นกรรมแกก็เลยลดกายปืนออกวางนะไม่ข่านี่ก็เรียกว่ากระทั่งเขาวีมุดพ้นได้ชั่วคราวนะพ้นได้ชั่วคราวอีกเหมือนกันนะหรือว่าบางคนนี่โกรธกันมากนะโกรธกันมากโกรธเคืองกันมาก แต่ภายหลังก็ไปเห็นคนที่เขาโกรธกันเขาฆ่ากันเนี่ยขืนก็นตายแล้วก็มันึกมันนึกเมตตาประนีขึ้นทันทีว่าไม่สมควรที่จะทําอย่างนั้นการทําอย่างนั้นมันมีนมทุกข์มีโทษมามทาให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จักจบจักสิน้นไม่ว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรก็เกิดเมตตาประนีกันขึ้นให้อภยัยนี่มันก็เป็นตระทางคาวิมุตพ้นได้ชั่วคราวอืม มาในข้อที่สองวิขำพนวิมุตตพ้นได้ด้วยการสะกดไว้สะกดไว้ในแก่ความพ้นจากกิเลสด้วยอํานาจแห่งฌานอาจสะกดไว้ได้นานากว่าแตัทงางควิมุตตแต่เมื่อฌานเสื่อมแล้วกิเลสก็กลับเกิดขึ้นอีกข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนกับก้อนหินที่ทับหญ้าหญ้านั้นเมื่อศิลาทับอยู่ก็ย่อมจะงออยู่ ถ้าทับนานก็อาจจะตายได้แต่ถ้าไม่นานถ้าไปยกก้อนหินออกหญ้านั้นก็จะกลับงอกเงยขึ้นกลับงอกเงยขึ้นอีก อ, อันนี้แหละก็ถือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษหรือว่าเราจะพ้นอจากทุกข์กิเลสอันนั้นก็ด้วยการกดไว้ขมไวม้ได้นานกว่าตัดทางเขาไป ม, มุด ได้นานกว่านะเพราะว่าแต่ทางก็มุดนั้นก็เอาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องระ ง, งับจากกิเลสตัณหานั้นได้นะเอตัณหาได้พ่อแม่บางคนก็เสียอกเสียใจนะเกี่ยวกับเรื่องลูกหญิงลูกชายนะคิดจะดา่าหรือว่าคิดจะตีคิดจะทําร้ายอืมนะแต่ก็มาปรงสังเวทได้นะปรองสังเวทได้หรือว่ามันได้วกว่า ถ้าเราทำไปยังนั้นมันก็อาจจะมีทุกข์มีโทษมากเดือดร้อนกันมากอาจจะทำให้ลูกหญิงลูกชายนั้นต้องก็เจิดเปิดเปลืงไปอีกก็ไม่ทำนะไม่ทำก็เลยอย่างนี้ก็เลยหายโกรธไปนะหายโกรธกันไปหรือบางคนก็ปรารบถึงไอ้ความแก่เจ็บตายนะเช่นว่ามีความ กำหนัดมีความรักมีความอะไรมากๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรถแต่พอไปดูไอ้ซากศพกันนั้นแล้วนะไปดูซากศพที่เขาผ่าตัดหรือเห็นซากศพแล้วก็เออคนเรามันก็แค่นี้เองนะตายแล้วก็เหมือนหมูเหมือนหมาตัวหนึ่งนะไม่มีค่าอะไรเลยไม่น่าที่จะมัหลงรักยึดมั่นถือมั่นอะไรกันเลยนะอ่าในเรามากอดรัดกันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ดูทีไอ้ของที่เปื่อยที่เน่าไม่มีค่าไม่มีอะไรกันเลย ไี่มีประโยชน์อะไรเลยเนยเราต้องมาหลมกอดรัดกันกอดจูบกันอะไรกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามากอดซากศพนะงวควายหมูหมาก็เหมือนกันเแหละนะนี่เลยคลืออย่างนี้ก็เลยเอาหายกีเรสอันนั้นก็หมดไปแต่มันไม่ใช่หมดไปจริงๆอย่างนั้นแต่มันหยุดไปชั่วคราวพ้นไปชั่วคราวนี่นั่นเป็นทานขายมุดแต่ว่าวิคราะหพะนามวิมุดมีห ม, ยม่ยว่าด้วยฌานนะต้องได้ฌานหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้อง ได้บำเพ็ญเพียรนะบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิหรือว่าได้ฌานด้วยการเจริญกสิณก็ดีนะอะไรจบกระทั่งได้ฌานนะได้ฌานนี่ก็อาจจะได้อ่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุจฌานนะในว่าได้รูปฌานอันนี้ก็สะกดไว้ได้นานใอ้คาว่าได้นานนี่ก็หมายถึงว่าาจะได้เป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะ ในเป็นเดือนเป็นปีก็ได้หรือได้หลายวันนะเหมือนกับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไปบำเพ็ญเพียรจนได้ฌานแต่ว่ายังเป็นโลกิยะฌานเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ว่าพอไปเห็นรูปผู้หญิงสวยๆเขาก็เกิดะตะบะแตกฌานแตกถึงกับพลัดตกกลงหอ่หอหะมานี่พลัดลงทันทีนะขามาห่อมาขากลับต้องเดินไปนี่เรียกว่าฌานเสื่อมได้ฌานเสื่อมได้ หรืออย่างพระเทวทัพนั้นก็ได้อ่าโลกิยาชานนั่นก็เหาเหินได้เอางูอะไรมาทำคล้องคอหรือทําเป็นสายสังวานสายสยร้อยอะสารพัดนะเขียนศีรษะบ้างพันแขนบัง้งค้องคอบ้างสะพายบ้างเป็นเอาอ่าพระเจ้าชาติสโตรูราชกุมารของอพระเจ้าพิมพิสารเกิดหลงไหลเลื่อมใสเป็นอย่างมาก น, นให้ความอุปถัมภ์ความุงเป็นอย่างดี แต่ผมที่สุดนานเข้าก็ชานนี้ก็เสื่อมอีกเหมือนกันฉะนั้นบุคคลบางคนก็ได้โลกิยาชานแต่ก็ชานนี้ก็เสื่อมได้ก็เหมือนกับก้อนหินทับย้านะถ้ามันถ้าก้อนหินนั้นทับอยู่ตลอดไปญ้านั้นก็อาจจะตายได้แต่ถ้าหากว่าเราย่าเอาหินออกเมื่อไรย้านั้นก็จะงอกเงยงามขึ้นมาอีกมาในข้อที่สามสมุดเฉดวิมุต พ้นอย่างเด็ดขาดได้แก่ความพ้นจากกิเลสด้วยอํานาจอริยมรรคเป็นอกุศลลรรมอ่าขอประทานโทษเป็นอกุ ป, ปรธรรมนะเป็นธรรมที่ไม่กําเริบนะคือตัดได้แล้วละได้แล้วไม่กลับกําเริบขึ้นอีกไม่เกิดขึ้นอีกคำว่าเป็นเป็นเนี่ยจดเป็นอริยมรรคก็หมายว่าเป็นมรรคอันประเสริดนะเป็นมรรคอันประเสริฐ เป็นมรรคเป็นทางของอริย เ, เจ้าเรียกว่าอาจจะตัดสังโยชน์ได้นะ ต, ตัดตัดสังโยชน์ได้ไม่กลับไปที่จะไปมีกิเลสตัณหาหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วหมดกันไปนะหมดกันไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสมุตเิเขตทวีมุตนะพ้นอย่างเด็ดขาดเลยเป็นของอริยเจ้า มาในข้อที่สี่ปฏิปัติสัตธิวิมุตพ้นด้วยสงบได้แก่ความพ้นด้วยความสงบระ ง, งับกิเลสได้ให้สงบระ ง, งับไปเนื่องจากอริยมรรถึอริยผลไม่ต้องขวนขวายนะไม่ต้องขวนขวายเพื่อลักกิเลสอีกเพราะกิเลสเหล่านี้สงบระ ง, งับไปแล้วหมดแล้วสิ้นราบคาบแล้วสิ้นภพสิ้นชาต ข้อที่ห้านิสรณะวิมุตพ้นด้วยออกไปได้แก่ความพ้นกิเลสยั่งยืนตลอดมาถึงเวลาสิ้นชีวิตคือได้แก่นิพพานนั่นเองนี่เรียกว่าพ้นด้วยการออกไปนะออกจากภพออกจากชาติสิ้นภพสิ้นชาตินีเรียกว่าพ้นได้นานและในวิมุตห้าเนี่ยนะในสามสองข้อข้างต้นนั้นถือว่ายังเป็นของ อปุถุชนอยู่หรือเป็นกรณีของการั ญ, ญชนแต่สามข้อข้างท้ายนี้เป็นของพระยศเจ้าทีนี้ถ้าจะถามว่าวิมุตห้าเทียบได้กับวิมุตสองอย่างไหนได้หรือไม่ถ้าได้เทียบมาดูเราก็บอกเทียบได้แต่ทั้งขวิมุติวิคัมพนาวิมุตสมุทเฉดวิมุตเทียบได้ในเจโตวิมุติปฏิปัสสัทธิวิมุติกับนิทาน ว, วิมุติเทียบได้กับ ปัญญาวิมุตต์เทียบได้กับปัญญาวิมุตต์โลยถามว่าวิมุตธาจัดเป็นโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถ้าได้ก็จัดมาดูอันนี้เราก็ตอบว่าได้ได้แต่ทั้งขวิมุตตวิคัมปนะวิมุตต์ทั้งสองนี้จัดเป็นโลกิยธรรม คือยังเป็นเป็นธรรมสำหรับชาวยังเป็นโลกิยายังเสื่อมได้นะผลได้โชครู่ช่วยยามส่วนสมุติตเฉ ท, ทวิมุตปฏิปัตสัตวิมุตนิสราณาวมุตทั้งสามนี้จัดเป็นโลกุตระธรรมนะจัดเป็นโลกุตระธรรมฉะนั้นเมื่อพูดถึงวิมุตก็คิดว่านักเกรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็พอจะจับใจความได้นะพอจะเอาเป็นปฏิปทาแห่งการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้เพราะว่าการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นก็ปรารถนาที่ต้องการาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นความทุกข์ที่เราจะหลุดพ้นได้นั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะหลุดพ้นได้นะจะหลุดพ้นได้เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะประพฤติปฏิบัติเอเราจะต้องหลุดพ้นด้วย ด้วยปัญญานะปัญญาตัวนี้แหละเป็นเครื่องทําลายกิเลสตัณหาของเราให้หมดไปให้เบาบางไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่เด็ดถึงเป็นพระอริยเจ้าแต่เรารู้จักหลุดพ้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวที่เรียกว่าตะทางคยมุดก็ดีนะถือว่าเป็นประโยชน์มากนะมีคุณค่ามากก็เรียกว่าเรามีคุณธรรมดีพอควรนะรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จัก อะไรควรไม่ควรถ้ า, าว่าเรารู้จักทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่สนใจทำปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมนะเพราะว่าธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องสอดส่องให้เรานั้นรู้จักดีรู้จักชั่วนะอะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤตินะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมแน่นอนที่สุดเราปฏิบัติมากๆปัญญาก็เกิดนะปัญญาก็เกิด ยิ่งสูงขึ้นไปปัญญาเกิดก็สามารถที่จะตัดกิเลสสมุเทเฉทะประหารได้นะหมดกิเลสกันไปเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญพระพุทธองค์ท่านในตัดไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญานะฉะนั้นเราจะพ้นจากกิเลสตัณหาขึ้นพบขิ้นชาติได้ก็ด้วยปัญญาฉะนั้นเราทุกคนก็จะต้องสร้างปัญญาให้เกิด ปัญญาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้สามทางคือหนึ่งสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังฟังเทศฟังธรรมฟังอภิปลายฟังปาตกถาหรือว่าฟังเขาพูดเขาคุยสนทนาธรรมกันสองกินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอ น, นึกคิด คบคิดปัญหาธรรมในสิ่งที่ดีที่งามสามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยด้วยการเล่าเรียนศึกษาแล้วก็เอานำมาเจริญสมาธิพิจารณาเจริญสมถะเจริญวิปัสนาให้ให้รู้สภาวะธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืน ก็จะทำให้เรามีแต่ความสุขกายสบายใจเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณห้าก็ดีวิมุตห้าก็ดีพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่ห้า ว่าด้วยเรื่องเวทนาห้าคือหนึ่งสุขสองทุกสามโสมนัสสี่โพมนัสห้าอุเบกขาทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าเวทนาห้าคำว่าเวทนา หมายเอาความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์และอุเบกขาในที่นี้ท่านจําแนกออกเป็นห้าคือหนึ่งสุขสองทุกข์สามโสมนัสสี่โทมนัสห้าอุเบกขาทั้งห้านี้สุขท่านหมายเอาสุขกายอย่างเดียวนะสุขกายอ่าสุขกายทุกข์กาย ส่วนอทุกท่านหมายเอาทุกกายอย่างเดียวนะทุกกายอย่างเดียวอเพราะสุขทุกข์ในเวทนาห้านี้มาคู่กันกันกบอโสมนัสโทมนัสส่วนโสมนัสหมายเอาสุขใจโทมนัสหมายเอาความอทุกข์ใจฉะนั้นในเวทนาห้าจึงต่างจากเวทนาในที่อื่น เพราะในที่อื่นสุขทุกท่านหมายเอาสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจส่วนอุเบขาหมายเอาความวางเฉยแห่งใจเพราะเบขาทางกายไม่มีเมื่อกายเป็นปกติดีก็จัดว่าเป็นสุขนี่ก็เป็นเรื่องของของเวทนา เวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์นะตัวเสวยอารมณ์ถ้าเราเกิดความสุข ก, กายก็เรียกว่าสุขเวทนาเกิดความทุกข์กายก็เรียกว่าทุกขเวทนาเกิดความสุขใจก็เรียกสุขเวทนาเกิดความทุกขใจก็เรียกว่าโสมนัสโสมนัสเวทนาถ้าเกิดความทุกขใจก็เรียกว่าโทมันัสเวทนา ถ้ารู้สึกเฉยๆนะไม่สุขกายไม่สุขใจไม่ทุกข์กายทุกข์ใจก็เรียวกว่าอุเบกขาเวทนาฉะนั้นเรื่องเวทนานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากกับการดําเนินชีวิตของคนเราเวทนานี่มันเป็นอารมณ์ที่ที่ทําให้เราติดเราหลงนะเราติดเราหลง คือเมื่อได้สุขก็ติดสุขเมื่อได้ทุกข์ก็ติดทุกข์ได้สุขกายสุขกายหรือว่าทุกข์กายนะเราก็ติดติดทั้งสองอย่างสุขใจทุกข์ใจก็ติดนะั่ะนั้นถ้าหากว่าจะทําให้เรามีความสุขความเจริญต้องอยู่ในหว่างกลางนะ่นคือไม่ติดในสุขแล้วก็ไม่ติดในทุกข์ก็คืออุเบกขา เพราะว่าเวทนานี่ยมันเป็นตัวสแสวงหาสแสวงหาอารมณ์คนเรานี่สแสวงหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาคือตั้งแต่เรียกว่าสแสวงหาในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้แหละมันมันทําให้เรานั้นเกิดเกิดเวทนาขึ้นนะเกิดเวทนาสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่ออะไรก็เพื่อเอามาบํารุงบําเรอ นะเอามาบำรุงบำเรอแล้วเราก็มาติดกันนะถ้าเราได้มานะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็แล้วแต่นะเราก็จะหลงไหลพอใจแล้วติดแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาเราก็เกิดความทุกขนะ์เกิดความโทมนัสนเกิดความทุกข์เกิดความโทมนัส รู้สึกว่าเรามันขาดอะไรไป น, นี่แหละฉะนั้นไ อ, ไอ้สิ่งที่เราแสวงหาเราจะต้องรู้จักความพอดีคือถ้าเราได้หรือไม่ได้ก็ต้องวางเฉยโดยเข้าใจตามสภาวธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่จีราม ย, ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดได้มันก็หายได้ เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นอุปาทานมันก็เกิดขึ้นนี่แหละมันทุกตรงนี้คนเราจะทุกมากอยู่ตรงนี้ฉะนั้นหาว่าเรารู้จักยับยั้งชั่งใจได้รู้จักความพอดีความพอดีนั่นแหละดีแต่ถ้าไม่พอดีมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมันก็เกิดโทษทางกายทางใจขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องของเวทน า, าย่อยๆ้ายตั้งปัญหาถามว่าอะไรเรียกว่าเวทนามีเท่าไรย่นให้เหลือแต่เพียงสองได้หรือไม่ถ้าได้ก็ย่นมาดูอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าความสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนามีห้าย่นให้เหลือเพียงสองก็ได้แก่สุขที่ไม่ได้มาเป็นคู่กันกับโสมนัสทุก ที่ไม่ได้มาเป็นคู่กันกับโทมานั์ย่นลงในกายกับใจร่อย่นลงในกายใจส่วนสุขที่มาเป็นคู่กันกับโสมานั์และทุกข์ที่มาเป็นคู่กันกับโทมานั์ย่นลงในกายอย่างเดียวอในกายอย่างเดียวในใจนโสมานั์กับโทมานั์คื ใ, ใจอย่างเดียว อีกอย่างหนึ่งอาย่นเป็นอิทธารมกับอนิธารมนะคือเหลือสองคืออิทธารมก็เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าเป็นฝ่ายสุขกายสุขใจก็เป็นอิถารมเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจก็เป็นอนิธารมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาหรือถ้าจะถามว่าสุขกับโสมนัส อาทุกขกับโทมนัตมีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเมื่อมาเป็นคู่กันดังในเวทนาห้าหมายความว่าอย่างไร <c oughs> อันนี้เราก็แก้ว่าไม่อย่างเดียวกันสุขหมายเอาทั้งสุขกายสุขใจโสมนัตหมายเอาเฉพาะสุขใจทุกข์หมายเอาทั้งทุกข์กายทุกข์ใจโทมนัตหมายเอาเฉพาะทุกข์ใจ เมื่อมาเป็นคู่กันดังในเวทนาห้านี้สุขหมายเอาเฉพาะสุขกายทุกหมายเอาเฉพาะทุกข์กายหรือถ้าจะถามว่าจะย่นเวทนาห้าให้เหลือเพียงสองแล้วบอกด้วยว่าส่วนไหนเป็นอิทธารมณ์ไหนเป็นอนิจธารมณ์เหตุฉนัยจึงยังเป็นโลกธรรมอยู่เราก็แก้ว่าสุโสมนัสอุเบกขา เป็นส่วนที่น่าปรารถนาทุกโทมานัตเป็นส่วนที่ไม่น่าปรารถนาส่วนที่น่าปรารถนาเป็นอิทธารมส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอนิฐารมเพราะเป็นธรรมเป็นไปตามโลกจึงยังเป็นโลกกระทำอยู่นี่เป็นเรื่องของเวทนาฮทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง สังวรห้าต่อไปสังวรห้าก็ได้แก่หนึ่งสีลสังวรสัมรวมในศีสองสติสังวรสํารวมด้วยสติสามยาณสังวรสํารวมด้วยยานสี่ขันติสังวรสํารวมด้วยขันติห้าวยะสังวรสํารวมด้วยความเพีย คำว่าสังวรแปลว่าการสำรวมระวังที่เป็นไปโดยมากหมายเอาการสำรวมกายวาจาและใจในที่นี้จำแนกออกเป็นห้าคือหนึ่งศีลสังวรสำรวมในศีลได้แก่การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยปราศจากโทษ เป็นเหตุให้ใจไม่หวาดวั่นต่ออะไร <c oughs> คอยระวังรักษากิริยามา ร, รยาทให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตามธรรมนองคลองธรรมเป็นไปโดยสมควรแก่หมู่คณะที่ตนอยู่อาศัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ คนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่าไม่มีความสำมรวมในศีลคือไม่รักษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องวาจาแน่นอนที่สุดก็จะประพฤติผิดทางกายทางวาจาก็เป็นเหตุให้เป็นการล่วงศีลไปกายก็อาจจะไปฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เป็นรักทรัพประพฤติเปรเวมีวาจาก็จะทาให้ปวดปวดปูดต่อเสียดพูดคาหยาพูดเปอรเจอร์แค่นั้นยังไม่พอ ก็จะทําทให้เรานั้นเสียมารยาทในทางที่ถูกที่ควรในการอยู่กับหมู่คณนะเก็จะเป็นที่ดูเหม็นดูหมิ่นดูแคลนเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราสํารวมแล้วก็เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็ได้รับการยกย่องชมเชยแม้อยู่ในสังคมหรือว่าจะอยู่นอกสังคมก็ย่อมได้รับความนิยมยกย่องอยู่ตลอดเวลา มาในข้อสองสติสังวรสำรวมด้วยสติได้แก่ความเป็นผู้มีสติไม่ฟั่นเฟือนหลงลืมไม่ประมาทกระทำกรรมชั่วทั้งในที่รับในที่แจ้งซึ่งเป็นเหตุให้สำรวมกายวาจาและใจอันความสำรวมจะมีได้ก็เพราะสติเป็นตัวตั้งเรียกว่าประเดิม อยู่ตลอดเวลาในการที่คนเราในกิจที่ทำคำที่พูดต้องมีสติคอยะลกควบคุมอยู่เสมอสติสังวร น, นี้จึงมีความจำเป็นมากในการดำารงชีวิตคนเราถ้าหากว่าขาดสติก็จะทำให้ทำอะไรผิดพลาดประมาทมัวเมาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ในปัจฉิมโอวาทว่า อปมาเทนะสัมปาเทถะว่าพิสุทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือเราทุกคนนั้นเมื่อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือคนมีสตินะอปมาโทอมัสตังปทงัทังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย ในคำว่าเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนี่ก็หมายถึงว่าหนึ่งดำรงชีวิตอยู่เป็นด้วยธรรมสองทำให้คุณงามความดีนั้นอยู่ยืนยาวตลอดไปเป็นแบบอย่างทำให้คนเคารพยกย่องนับถือกราบไหว้นี่เป็นเรื่องของสติสังวรและสติสังวร น, นี้ ยิ่งมีมากก็ดีนะเป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์มากฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนได้ได้มันฝึกสติกันนะฝึกสติกันให้มากคือเราเราเรียนกันมามากก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าสติคืออะไรเอามาใช้อย่างไร การดำเนิชีวิตในประจำวันของเรานี่เราไม่ก็ได้ใช้สติกันเพราะเราตามไม่ทันในกิจที่ทำคําที่พูดแต่ถ้าหากว่าเรามีสติในกิจที่ทำคําที่พูดแล้วเราจะทําอะไรไม่ผิดพลาดจะพูดอะไรก็ไม่ผิดพลาดการดำเนินชีวิตของเราก็เป็นไปโดยธรรมก่อนพูดก่อนทําก็มีสตินะ mm hmm. มีสติดีเสียก่อนคิดเสียก่อน ไข้ครวญเสียก่อนการกระทำของเราทุกอย่างนั้นก็จะมีประโยชน์มากมีผลมากสามยานะสังวรสัมรวมด้วยยานได้แก่ความเป็นผู้รู้ในเหตุและผลของกรรมดีและกรรมชั่วคอยระวังด้วยปัญญาในเวลาทำพูดคิดให้รู้จักถูกจักผิดในขณะนั้นตัวนี้เป็นตัวธรรมัญญา คือรู้เหตุน่ะรู้เหตุแล้วก็รู้ผลก็คืออัฏฐานยุตารู้ผลรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเจริญรู้ว่าผลแห่งความเจริญนั้นมาจากเหตุแห่งการทําดีรู้ว่าผลแห่งความเสื่อมนั้นมาจากเหตุแห่งการทําไม่ดี ตัวนี้แหละตัวยานักสังวรคือใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องสำรวมระวังในเวลาที่เร า, าเดินยืนเดินนั่งนอนหรือดืม่มทำพูดคิดทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้จักถูกจักผิดรู้จักกาลเทศะอะไรดีไม่ดีอะไรถูกไม่ถูกอะไรควรไม่ควรข้อที่สี่ ขันติสังวรสารวมด้วยขันติได้แก่ความเป็นผู้รู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาคือหมายความว่าความเหนื่อยยากลำบากและคำเสียดสีกระทบกระทั่งเป็นต้นและสารวมในเวลาที่จะต้องอดทนเช่นในเวลา ประกอบการงานทั้งฝ่ายคดีโลกคดีธรรมจะต้องมีความอดทนต่อความหิวกระหายหนาวและร้อนเหล่านี้เป็นต้นนี่เราจะต้องมีขันติมากเราจะเห็นพิจารณาเห็นว่าการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานี้จะต้องใช้สังวรห้าตลอดเวลาศีสลสังวรก็ต้องใช้สํารวมกายวาจาตลอดเวลา สติสังวรต้องมีสติกันอยู่ตลอดเวลาญาณสังวรต้องสำรวมด้วยความรู้ตลอดเวลาขันติสังวรเราจะต้องมีขันติรู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาหรืออดทนต่อความลำบากต่างๆอันเกิดจากการทํางานไม่หวัดวันท่งนพึงต่อแดดร้อนหรือความเย็นต่างๆความเหนื่อยยากความลำบากต่างๆอันจะทําให้เป็นเหตุที่ต้องละจละการงานเสียนแต่เราอดทน เมื่อเราอดทนได้ก็ทําให้การงานของเราสําเร็จเรียบร้อยด้วยดีเมื่อการงานสําเร็จเรียบร้อยดียดก็จะทําให้เรานั้นเป็นคนมีคุณธรรมมีความขยันหมั่นเพียรนะมีความอดทนมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงคราวเจ็บปวดป่วยไข้ก็เราก็มีความอดทนนอดทนอดกลั้นโดยเราพิจารณาว่ า, าความเจ็บปวดป่วยไข้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเราคนทุกคนก็เป็น พิจารณาอย่างนี้สติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นเราไม่เป็นคนอ่อนแอเมื่อถึงคราวเจ็บปวดปวด่วยไข้บางคนก็อ่อนแอเสียเลือกเกินข้อที่สามอดทนต่อความเจ็บใจในเมื่อผู้อื่นมาทำให้เราเจ็บใจอาจจะดยด่าว่าดูหมิ่นเยียดหยามอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องอดทนอย่าโต้อตอบ การโต้ตอบนั้นก็เป็นการก่อคดีทำให้ทุกยืดยาวต่อไปเราจึงบอกว่าทุกจะมีเพราะยืดทุกจะยืดเพราะพลอยทุกจะน้อยเพราะลดทุกจะหมดเพราะละนี่ฉะนั้นก็จะต้องมีความอดทนนี่คือขันติสังวรข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าว่าเ พ, พราะว่าพระพุทธองค์ท่านในตัดว่าขันติอิตะสุขาวหาขันติ ย่อมนำความสุขมาให้ขันติขันติเป็นทางแห่งสันติสุขขันติถือว่าเป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีทั้งหลายขันติเป็นที่รวบรวมคุณงามความดีทั้งหลายเปรียบเหมือนกับทะเลเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งปวง คนมีคันติก็เหมือนกันเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทุกอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัจเจ้าแม้ว่าพระองค์จะได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ยังไม่ไวยที่จะต้องถูกคนด่าว่า ก, กล่าวติชินนินทาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระองค์หวั่นไหวไม่ได้ทำให้พระองค์หวั่นไหวพระองค์ไม่ ไม่ทุกข์ไม่เดืดร้อนฉะนั้นเอเราจะต้องฝึกกันให้มากนถ้าหากว่าเราฝึกเป็นคนอดทนได้นนั่นแหละเราจะเป็นคนดีแต่สัญชาติญาณของคนเรานิยมอย่างคือใครมาด่ามาว่าหรือมารังแกเนี่ยไม่ไม่นิยมให้อดทนกันมกักแกว่าให้โต้ต อ, อบกันมทําเป็นพระอิดพระปูนอยู่ได้เนี่ยเราจะว่ากันว่าทำเป็นพระอิดพระปูนอยู่ได้ ก็ทำไมไม่ล่อซะลแล้วก็ทำไมไม่ซัดซะเล่าอ่าแม้ถ้าเป็นฉันนะอะถ้าเป็นข้านะตายไปแล้วอแล้วก็แลกกันไปข้างหนึ่งไอ้ทานองอย่างนี้นี่ก็เท่ากับไปยุให้ชิบหายเพิ่มอีกอไปส่งเสริมในทางชิบหายแทแทนที่จะ ย, ยกย่องว่าแหมคุณเยี่ยมมากเลยอดทนได้นี่ดีอถ้าอดทนไม่ได้ปัญหาจะเกิดขึ้นมากอืมนี่ถ้าพูดอย่างนี้สติวัญญาก็เกิดขึ้นแต่ไอ้เรากลับไปดูหมินเหยียดย้มกัน เขาด่าแล้วไม่รู้จักทุกข์จักร้อนน่ะไม่รู้จักเจ็บหรือว่าไม่สู้เขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปพูดทําให้เขาน้อยเนื้อต่ําใจให้ความเจ็บแค้นใจมากยิ่งขึ้ น, นให้เกิดความอาฆาตต์บาทมากยิ่งขึ้น น, นี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเราใช้คัณติมากๆยิ่งดีนะดีมากนา่ข้อที่ห้าวิยะสังวรสํารวมด้วยความเพียรได้แก่ความเพียรเป็น ผู้มีความเพียรต่อกิจาการงานที่ชอบไม่ใช่ความเพียรในทางที่ผิดหรือเมื่อจิตอตัดเบื่อหน่ายต่อกิจาการงานก็ให้ใช้ความลำบากอ่าหมุนเป็นแรงให้กิจาการงานนั้นอสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่การสํารวมไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นด้วยอํานาจความเพียรคอยพยายามละ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตั้งใจพยายามอบรมคุณนงามความดีให้เกิดขึ้นในความที่เราสำรวมด้วยความเพียรนี่หมายถึงว่าคำว่าสังวร น, นี่ก็คือตัวระวังก็คือตัวสติคือเราเพียรทำอะไรประกอบความเพียรแล้วต้องมีสติคอยกำกับมิฉะนั้นแล้วก็มันอาจจะไปในทางที่ผิดได้นะ บางคนก็เพียรพยายามในทางความชั่วก็มีอ่าฉะนั้นเราจะต้องมีสติว่าถ้าชั่วแล้วก็ทําในทางที่ดีตีเชียกว่ า, าประทานประทานตีเรียว่าเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเพียรระวังละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เสื่อมไป เนี่ยเราเคอยเพียนอย่างนี้นะเราก็ยังมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าก็จะมีปัญหาถามว่าสังวรห้าจัดลงในไตสิกขาได้หรือไม่ถ้าจัดได้ก็จงจัดแล้วก็ให้มีอธิบายมาด้วยอันนี้เราบอกว่าจัดได้ นะศีลสังวรก็จัดเข้าในศีลสิกขาสติสังวรขันอสติสังวรขันติสังวรก็วิริยะสังวรจัดเข้าในจิตตะสิกขาญาณสังวรจัดเข้าในปัญญาสิกขาศีสลสังวรนั้นหมายความว่าความรักษากายวิาจาให้เรียบร้อยดีงามอาเป็นส่วนศีลสังวรนะศีลสังวรนั้นก็มีอัดจุดเดียวกัน จึงจัดเข้ากันได้นะจึงจัดเข้ากันได้ในส่วนศีลจิตตศสิกขาหมายความว่าทำให้จิตใจเป็นสมาธิแน่ๆมีอารมณ์เป็นอันเดียวได้มีจิตคงสัน้นนะมจิตุงสัน้นส่วนสติสังวรขันติสังขันติสังวรวิยาสังวรก็เป็นเจตสิก ข, ของจิตประเภทหนึ่งเมื่อเพื่อทาจิตใจ มิใหุ้ง้านเหมือนกันจึงจัดเข้ากันได้ส่วนยานสังวรก็หมายความรอบรู้เอาสภาเท่าเท่าทัานต่อสภาวะธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นยานสังวร ฉะนั้นจึงจัดเข้าในส่วนแห่งปัญญาศิกขานะหรือถ้าจะถามว่าวิยะสังวรสํารวมด้วยความเพียร น, นั้นอยากทราบว่าความเพียรเป็นเหตุให้สํารวมได้อย่างไรเราก็แก้ว่าความเพียรเป็นเหตุให้สํารวมได้คือธรรมดาใจของคนเมื่อทํางานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นการงานที่ลําบากและสุจริต ร, รม มักจะอิดหนาละอาใจท้อถอยชอบทำงานที่เบาแรงแม้จะไม่ชอบทำแต่สำหรับผู้มีความเพียรไม่เป็นเช่นนั้นเลยหากการงานสิ่งใดแม้หนักแต่สุจริต ร, รมย่อมไม่ท้อถอยพยายามในกิจการสิ่งนั้นเมื่อจิตคิดท้อถอยก็ใช้ความเพียรเป็นเครื่องเกื้อกห น, นให้มีมานะบากบัน นี่ก็จัดความเพียรเป็นเหตุสำรวมได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็ <c oughs> เป็นเรื่องของสังวรห้าก็จะขอพูดเรื่องสุทาวาสห้าอีกข้อหนึ่งเห็นว่ า, าจะให้ผมเหมาะกับเวลาก็คือคาว่าสุทาวาสก็คือหนึ่งอวิหานะอวิหาสอง อัตปาสามสุทัศสาสี่สุทัศสีห้าอัตนิธาคำว่าสุทาวาสได้แก่พบเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์อยู่ในพรหมโลกเบื้องสูงสิบหกชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้มีจุติจากมนุ์โลกนี้แล้วไปเกิดในพบที่เรียกว่าสุทาวาสนั้นๆแล้วได้บรรลุพระอรหันต์ และเลยแล้วก็เข้าถึงบริณิพานในภพนั้นนั้นบ้างเลื่อนขึ้นไปเกิดในภพอันสูงกว่านั้นบ้างแล้วจิบนบรรลุพระอรหันต์เข้าถึงนิพพานบ้างอันนี้เป็นเรื่องของของภพของภูมินะเป็นเรื่องของภพของภูมิคาว่าสุทธาวาสนะฉะนั้นรายละเอียดนั้นก็ให้นะักเรียนนะักศึกษาก็ลองไปค้นคว้าดูเอาบ้าง นะอันนี้ก็พูดพอเป็นแนวทางนะพูดัวเป็นแนวทางอาชื่ออวิหะหรืออตัตตปาสุทัสสาทุทัสสีนี้เป็นชื่อของผู้เป็นใหญ่ในแต่ละชั้นนะผู้ปกครองในแต่ละชั้นอนะถ้าจะตั้งปัญหาว่าท่านผู้ที่เกิดในชั้นสุทาวาสพบจัดเป็นพรหมจําพวกไหนและเหตุฉไหนจึงได้นามว่าสุทาวาส อันนี้เราก็ตอบว่าจัดเป็นรูปประพรมคือเป็นพรมที่ยังมีรูปเพราะเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิอ์อ่าบริสุทธิ์จึงได้นามว่าสุทาวาสหรือถ้าจะถามว่าพระนาคามีที่อยู่ในสุทาวาทห้าชั้นนั้นท่านกําหนดอายุต่างกันอย่างไรอันนี้ก็แก่ว่าต่างกันท่านผู้อยู่ในชั้นอวิหาท่านกําหนดอายุพันมหากับ ท่านผู้อยู่ในช <an> ั้นอตตปากำหนดอายุเอาสองพันมหากับท่านผู้อย <Juliet. S 2> ู่ในชั้นอสุทัสสากำหนดอายุสี่พันกับท่านผู้อยู่ในชั้นสุทัศสีกำหนดอายุแปดพันมหากับท่านผู้อยู่ในชั้นอการิษฐากำหนดอายุสิบหกพันกับรู้สึกว่าพูดกับกับนี่มันก็งงมากนะไม่ใช่ว่ากินกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะ ให้คำว่ากับกับหนึ่งนี้พูดอย่างง่ายๆภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนอย่งกับภูเขาซิเนรุนะสูงกว้างยาวใหญ่พอถึงร้อยปีเทวดาก็เอาผ้ามาปัดกวาดมาเช็ดอที่ยอดเขานันทีร้อยปีมาเช็ดทีปัดกวาดทีจนกระทั่งภูเขานั้นราบเรียบเสมอดินนั่นแหละเรียกว่ากับกับหนึ่งโอ้โหมันรู้สึกแล้วมันก็ เป็นเรื่องเหลือเชื่อว่างั้นนะเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็เอาละอ่าเรายังมีกิเลสตัญหามากปัญญาน้อยก็ต้องเรียนรู้อีกมากก็เชื่อไปก่อนนะเชื่อไปก่อนอย่างไงก็ตั้งใจเราเรียนศึกษาปฏิบัติทําให้มากอ่าแล้วก็จะรู้จะฉลาดขึ้นเองหรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าสุทาวาตังห้าเป็นชั้นพรห ม, มีรูปใช่หรือไม่เพตุไฉนจึงมีชื่ออย่างนั้นอันนี้เราตอบว่าใช่ พบห้านี้อยู่ในพรหมโลกสิบหกชั้นข้างสูงอชั้นสูงว่าเป็นที่เกิดแห่งพระอนาคามีผู้จุติจากพบแล้วได้บรรลุพระอรหันต์แล้วนิพพานในพบที่เกิดนั้นบ้างเลื่อนไปเกิดในพบสูงขึ้นไปกว่าบ้างแล้วจึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงชื่อว่าสุทาวาตแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิท์สุขจากกิเลสตัณหาเรียกชื่อต่างออกไปเป็นห้าอย่าง ตามชื่อเทศในชั้นนั้นๆจชั้นอวิหาอาตตปาตุทัสสาตุทัศสีอคณิฐาอย่างนี้เป็นต้นเอาละาได้บรรยายาเกี่ยวกับเรื่องเวทนาห้าก็ดีสังวรห้าก็ดีสุดท่ดาว่าห้าก็ดีพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนะักศึกษาและทั้งผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร